เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติและพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลาบากไม่ยากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทรกรคนชอบเล่ากลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้ในหมดของตำนานศักดิ์สิทธิ์ผมมีเรื่องราวของตำนานพญามานมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังครับย้อนรอยทบทวนความทรงจำกันสักนิด หากใครได้เคยเรียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเชื่อว่าทุกท่านต้องเคยได้ยินคําว่าพญามารแน่แน่พญามารจะมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนากับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไรวันนี้ผมจะขอนําท่านไปพบกับตํานานความเป็นมาของพญามารท่านนี้ครับพญามารหรือพญามาราธิราชโพธิศัตว์แท้จริงแล้วท่านคือพระมหาโพธิศัตว์พระองค์หนึ่งซึ่งจัดอยู่ในประเภทพณิยตาุพธิศัตว์ คือผู้ที่ได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าแล้วว่าจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนในอนาคตเหตุที่ได้ชื่อว่าเป็นพระยามาราธิราชเนื่องด้วยพระองค์ทรงเกิดจิตอิจฉาริสยาพระสมณะโคโดมซึ่งก็คือผู้ที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนพระองค์ทั้งที่พระองค์นั้นได้บำเพ็ญพระบารมีมาก่อนแต่เหตุไหนา ย, ยายรือเหล่าพระพรม และทวยเทพตั้มปูมจึงไม่อัญเชิญพระองค์ซึ่งขณะนั้นหรือแม้แต่ในขณะทุกวันนี้ได้สวยพระชาติเป็นท้าปรานิมิตตวัสวัตตีมาราธิราชเทวราชผู้เป็นใหญ่หนึ่งในสองพระองค์ที่ปกครองสวรรค์ชั้นที่6ที่ชื่อว่าเป็นสวรรค์ชั้นปรณิมิตตวัสวตัตตีแต่กลับพากันไปอัญเชิญทูลเท้าสันดุสิตเทวราชเทวราชาแห่งสวรรค์ชั้นที่4ที่มีชื่อว่าชันดุสิต ให้เสด็จลงมาตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงคอยหาจังหวะและโอกาสที่จะขัดขวางการตัดสรู้ให้จงได้และเมื่อสบโอกาสในช่วงค่ำของคืนบันพฑนเดือน6ในขณะที่พระสมณโคดมกำลังเตรียมการที่จะบัณ็ญเพียรพระบารมีอย่างเต็มที่ท้าปริมิตตวสวัตตมาราธิราชได้จาแลแงกายเป็นพระยาวะสวัตตมาราธิราช ทรงช้างนามว่าครีเมฆลาพาเหล่าเสนามานและกองทัพมานทั้งหลายพรั่งพร้อมด้วยศาตราวุธครบมือมากันอย่างมืดฟ้ามัวดินเข้ามาราังควานโดยกล่าวว่าที่นี่พระองค์ประทับใต้ต้นโพนี้เป็นที่ของตนต้องการให้พระสมณโคดมหลีกลี้หนีห่างไปให้พ้นถ้าพูดกันดีๆไม่ฟังก็คงต้องใช้กำลังกันละแต่แทนที่พระพุทธองค์จะทรงเกรงกลัวกลับสงบนิ่ง พร้อมกับทรงดำรัสว่ามานเออยที่ท่านบอกว่าที่ที่เรานั่งอยู่นี้เป็นของท่านแท้จริงแล้วเป็นที่ที่เราได้เคยบำเพ็ญเพียรบารมีมาช้านานใหญ่ท่านมากล่าวตูเช่นนี้พรยา ม, มาราชิราชได้ฟังดังนั้นก็กล่าวถามไปว่าการที่ท่านบอกว่าที่ที่นี้เป็นที่ของท่านบำเพ็ญบารมีมานั้นท่านมีหลักฐานอันใดหรือส่วนเรานั้นเหล่าพลมานพวกนี้เป็นพยานให้เราได้ พระสมาณโคโดมทรงตำรัดตอบว่าต้องการพยานหลักฐานกันนั้นหรือได้เลยพยามารและพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนพระอเดียบทจากท่าพระหัต์ประสานกันขวาทับซ้ายมาเป็นพระหัต์ขวาวางไว้ที่ชานุหรือหัวเขา่าชีนิ้วพระหัต์ลงบนพื้นดินส่วนพระหัต์ซ้ายยังคงอยู่ที่เดิมหรือที่เรารู้จักกันในปางมานสิวิชัยและแล้วก็บังเกิดพระแม่ทรณีแทรกแผ่นดินขึ้นมาต่อหน้าพระภัก ระหว่างพระสมณะโคโดมกับพระยาแมานพร้อมกับกล่าวว่าข้านี่แหละเป็นพยานให้เพราะรู้การบัมเพ็ญเพียนของพระสมณะโคโดมมโดยตลอดและนี่ก็คือหลักฐานที่พระสมณะโคโดมได้หลังน้ําอุทิศในการบัมเพญทานบันมีเอาไว้นั่นก็คือหนึ่งในตำนานที่มีบันทึกไว้ที่ว่าพระแม่โทรณีบีบมวยผมพระยาแมานนั้นว่ากันว่าก่อนที่จะมาเสวยชาติเกิดเป็นพระยาแมานครั้งหนึ่งได้เคยเกิดเป็นมนุษย์ และได้มีชีวิตอยู่ในสมัยพุทธกาลของพระพุทธเจ้านามว่ากัสปะขอขยายความนิดหนึ่งครับพระพุทธเจ้านั้นได้เคยบังเกิดขึ้นมาแล้วหลายพระองค์ซึ่งต่างกับต่างกันกันเรียกได้ว่าโลกมนุษย์เกิดขึ้นหนึ่งครั้งก็จะมีพระพุทธเจ้าเกิดหนึ่งพระองค์เท่านั้นประมาณนี้ว่าต่อพญามารผู้นี้ได้เกิดเป็นมนุษย์มีนามว่าโพอมมาตเป็นถึงอังครเสนาบดีของพระเจ้ากิงกิษมหาราช ผู้ที่มีพระไทยเริ่มใสในพระพุทธศาสนาอย่างมากวันหนึ่งทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าได้เข้าฌานนิโรธสมบัติซึ่งผู้ที่ได้ถวายทานเป็นคนแรกหลังจากที่พระพุทธเจ้าออกจากฌานจะเป็นบุญมหาศาลยิ่งนักถึงขั้นว่าขออะไรก็ได้ดังใจจะสําเร็จดังนั้นทุกประการเลยทีเดียวพระเจ้ากิงกิศะจึงประกาศห้ามผู้ใดไปถวายทานก่อนพระองค์เป็นอันขาดหากใครฝา่าฝืนจะประหารชีวิตในทันที โูอัมบาดแม้จะรับทราบคําสั่งของเหนือหัวแต่ด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะถวายทานถึงกับไม่กลัวตายรุ่งขึ้นจึงได้ชวนภรรยาพร้อมด้วยเครื่องไทยทานรวมสองห่อตรงไปยังบริเวณใต้ต้นไสใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าฌานอยู่ทหารรักษาการเห็นดังนั้นจึงตรงเข้าขัดขวางแต่โูอัมาดได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะถวายทานให้ได้ที่จริงจะบอกไปก็ได้ว่าเนือหัวให้มาอาราธนาเข้าไปในวัง แต่ก็มีควรจะโกหกเช่นนั้นจึงได้บอกความจริงไปแม้จะต้องถูกประหารก็ไม่กลัวเช่นนั้นแล้วจึงได้ถูกทหารจับตัวไปเมื่อพระเจ้ากิงกิสะได้ทราบข่าวเสนาบดีของตนเองได้ละเมิดคําสั่งเสีเองจึงพิโรธเป็นอันมากจึงได้สั่งประหารทันทีฝ่ายพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระยานว่าผูอมัมมัดได้มีศรัทธาแรงกล้าที่จะถวายทานแม้จะถูกประหารก็ไม่กลัวจึงทรงกรุณาแก่เสนาบดีมาก ได้เดนรมิพุทธนิมิตให้สถิตแทนพระองค์แล้วไปปรากฏตัวแกภ่ภูอัมมัดโดยให้เห็นเฉพาะภูอัมมัดเท่านั้นแล้วได้กล่าวว่าดูกรภอรูอัมมัดท่านทำถูกแล้วจงมีศรัทธามั่นเถิดอย่าอะไรในชีวิตไททานของท่านอยู่ที่ไหนจงถวายรเราเถิดเสนาบดีผู้น่าสงสารเมื่อได้ฟังคาตรัสของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเลื่อมใสอย่างสุดใจ รีบนำเครื่องไถยทานของตนและภรรยามาถวายด้วยความศรัทธาอย่างที่สุดและได้ตั้งความปรารถนาแทบพระบาทเอาไว้ว่าด้วยอํานาจแห่งผลทานครั้งนี้ขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระองค์ในอนาคตการน้นเถิดพระกัสปะพุทธเจ้าได้ยกพระหัตถ์รูปศีรษะของโพอํามาตย์และได้กล่าวพยากรณ์ว่าท่านปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสําเร็จเถิด ท่านจะได้อุบัติเป็นพุทธเจ้าในอนาคตเบื้องหน้าโน้นหลังจากนั้นเสนาบดีก็ถูกประหารชีวิตแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตและจุติจากดุสิตสวรรค์ ล, ลงมาเวียนไหวตายเกิดในสังสารวัตรมาช้านานจนในที่สุดก็ได้ไปเกิดเป็นพญามารดังที่กล่าวไว้ข้างต้นนั่นเองแต่เนื่องจากมีจิตวิสยาในพระพุทธโคดมหรือพระพุทธเจ้าของเราที่มาตรัสรู้ก่อนตนจึงได้ตามเฝ้าประจันขัดขวางต่างๆ แต่ไม่ได้ล่วงเกินให้มันเป็นบาปหนักแต่ประการใดต่อมาหลังจากพระพุทธเจ้าของเราประนิพิพานไปได้200กว่าปีพระเจ้าธรรมโสกราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในชมพูททวีทรงมีศรัทธาอุตสาหะสร้างพระสถูปเจดีย์ถึง 84,000 พองค์เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและยังปรารถนาจะทาการฉลองใหญ่มีกาหนดถึง7ปีเจเดือนเจวัน ให้สมกับความตั้งใจของพระองค์ที่มีมานานและการฉลองใหญ่ครั้งนี้พระองค์ก็เกรงว่าจะถูกรบกรวนจากพญามารผู้มีฤทธิ์สูงส่งนักและมีจิตฤิ์ยาพระเจ้าธรรมโสกราชจึงได้อาราธนาพิสุขสงฆ์เพื่อให้ช่วยปกป้องภัยจากพญามารผู้นี้แต่เหล่าสงฆ์ทั้งหลายในสังฆมนทนรู้ตัวดีว่าไม่อาจสู้ฤทธิ์ของพญามารผู้นี้ได้แต่มีพิสุสงฆ์รูปหนึ่งจำพุทธบิญ า, ากรได้ว่า จะมีภิกษุกสงฆ์รูปหนึ่งมีนามว่าอุปคุธเถระจากราบมารและละพยศได้และจักปรารถนาพุทธภูมิกล่าวกันว่าพระอุปคุธเถระผู้นี้มีปกติสันโดษอยู่องค์เดียวชอบแผลงฤทธิ์ลงไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่และเนรมิตปราสาทลวนด้วยแก้วเจ็บประการประดิษฐานอยู่ในท้องมหาสมุทรนั่งเหนือรัตนบันลังเข้าชาสมบัติสวยมมุติสุขอยู่ลำพังเป็นเวลาหลายวันจ น, นพุ เพนกลางเดือนจึงออกจากสมาบัติเหาะขึ้นมาบินทบาทบนโลกมนุษย์ครั้งหนึ่งแล้วจึงกลับลงไปเข้าฌานแบบนี้ตลอดเวลาและในครั้งนี้นี่เองพระอุปคุตเทระได้ถูกพิสุท์สองรูปผู้ได้อภิญญาชำแรกมหาสมุทรลงมาแจ้งโทษแก่ท่านว่าไม่มีสังฆกรรมร่วมกับสงกับมาหาความสบายแต่เพียงผู้เดียวบัตรนี้คำสั่งจากสงมาถึงท่านแล้วให้ท่านเปนทุระป้องกันพญามาร อย่าได้รบกวนงานฉลองของพระเจ้าธรรมสุกราชได้พระเทระน้อมรับคําสั่งโดยไม่ได้โต้แยง้งใดๆและเมื่อวันเปิดงานมาถึงพระเจ้าธรรมศกราชได้เข้าสู่บริเวณงานด้วยพร้อมคณะสงฆ์มากมายขนาะนั้นเองพญามารผู้มีใจริษยาอุดใจไม่ไหวจึงลงมาจากปกรนิมิสวัตตีบรรดาลให้เกิดพายุใหญ่ทัดกะหนำ่ำหวังจะทําลายงานดับประทีบบูชาที่จุดสว่างสวยัยฝ่ายพระอุปคุตเทระ ซึ่งได้คอยระวังอยู่แล้วจึงบันดาลให้พายุนั้นอันตรทานหายไปพญามารจึงได้โมโหกโดทายิ่งขึ้นและรู้ได้ดูริดว่าพระรูปนี้นี่เองที่เป็นผู้ต่อกอนจึงเปลี่ยนแผนแปลงร่างเป็นวัวกระทิงตัวยักษ์ใหญ่เขางงแหลมคมราวกับหอกวิ่งพุ่งออกมาจากพุ่มไม้หวังจะทำลายโรงพิธีให้แหลกไปพระเทระเห็นเช่นนั้นก็ไม่รอช้าแปลงกายเป็นเสือลายพาดกรอนตัวใหญ่ตรงเข้าตะลุมบอล ต่อสู้กันอย่างดูเดือดไม่นานนะักวัวกระทิ้งก็โดนเสือตะปบไปนอนกองแทบตายแหลไม่ตายแลแต่ไม่นานมันก็เปลี่ยนร่างเป็นพญานาคเจ็ดเศียรพ่นไฟใส่เสือโคร่งหมายจะเอาชีวิตพระเถระเห็นว่าเสียเปรียบจึงแปลงกายเป็นพญาครุฑตัวใหญ่โดดเข้าจิกหัวพญานาคลากกริ้งไปกลิ่งมาอย่างไม่ปราณีเล่นเอาพญานาคร้องโอดโอยแล้วก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นยักษ์ใหญ่ในตาดูดันถือกระบองยักษ์เท่าต้นตาล กัดแกงทุบหัวพยาคุดโดยไม่รังรอพรยาคุดเห็นเช่นนั้นจึงเปลี่ยนร่างเป็นยักษ์ที่ตัวใหญ่กว่าถึงสองเท่าถือกระบองยักษ์สองอันเหวียงเข้าทุบศีษรษะพยามาลอย่างรุนแรงและรวดเร็วราวกับจักพรรดิยากที่พยามาลจะป้องกันได้ในที่สุดก็กลับร่างและยอมแพ้ในที่สุดพระเถระเห็นดังนั้นไม่รอช้าได้เดริมิดร่างหมาเน่ากลิ่นฟุ้งเหม็นตลบไปทั่วพร้อมกับมีหนอน และดึงประคบทจากเอวของท่านออกมาผูกร่างของหมาเน่าแล้วเบี่ยงไปคล้องคอของพญามารพร้อมกล่าวว่าไม่ว่าใครก็ตามย่อมไม่อาจเอามาเน่าออกจากคอของพญามารได้จากนั้นก็ขับไล่พญามารให้ออกจากพื้นที่ที่นั้นพญามารผู้เลือดริษพอถูกหมาเน่าคล้องคอก็พานหมดริษเอาดือด้อไม่อาจทําอะไรได้จะเอาออกเองก็มีได้ได้แต่ไปวอนขอให้เพื่อนเทวดาตั้งแต่เทวกษัตริย์ สวรรค์ชั้นที่หนึ่งถึงให้ช่วยเอาออกให้ก็ไม่มีใครเอาออกได้ได้แต่แนะนำว่าให้ไปขอขามากับพระเทระดีกว่าให้ท่านช่วยแก้ให้พญา ม, มารไม่มีทางเลือกได้แต่จําใจกลับไปหาพระเทระเพื่อขอขามาและบอกให้ท่านช่วยเอาออกให้พระเทระยินดีเอาออกให้แต่ก่อนอื่นท่านได้เอ่ยว่าอยากให้ตามมาทางนี้ก่อน พระเถระได้นำพญามารมายังภูเขาใหญ่รูปหนึ่งแล้วหยิบอมมาเน่าออกและโยนทิ้งไปในเหวพร้อมกันนั้นก็เนริมิตประคตให้ยาวขึ้นอีกและพันรอบตัวของพญามารไว้กับภูเขาแล้วกล่าวว่าท่านจงอยู่ที่นี่จนกว่าพระธรรมมโซกราจะทำพิธีฉลองสถูปเจดีครบเจปีเจเดือนเจวันให้เสร็จสิ้นเสียก่อนกล่าวจบก็เดินจากไปโดยมีเหลียวหลังกับมมอง พยามารได้รับทุกขเวทนาอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานถึง7ปี7เดือนและ7วันจนเมื่อครบกำหนดพระเถระได้กลับมาเพื่อจะปลดปล่อยพยามารแต่ก็ได้เดินไปแอบดูก่อนว่าพยามารมีความเป็นอยู่อย่างไรพยามารเองก่อนเคยมีวิมานมีสุขเมื่อมารับทุกขเวทนาเช่นนี้จึงรับพยศได้ในสันดานและนึกถึงพุทธโคดมและกล่าวออกมาว่า เมื่อพระองค์ทรงสถิตใต้ต้นมหาพูข้าพระองค์จักเครื่องจักกราวุธอันคมกล้าไปหมายจะปิดชีพพระองค์แต่จากนั้นก็กลับกลายเป็นดอกไม้บูชาพระองค์และไม่ว่าจะคว้างอาวุธอะไรไปก็กลายเป็นดอกไม้เสียหมดคราวนั้นข้าพ่ายแพ้แก่พระองค์แต่พระองค์ก็ไม่ได้โต้ตอบอันใดบัดนี้สาวกของพระองค์มีจิตใจที่โหดร้ายทาร้ายข้า ทำให้ข้าพระองค์ได้รับทุกสาหัสเหลือเกินคิดแล้วก็เศร้าโศกและมโมโหเอาบาดกระทืบพื้นดังลั่นแต่แล้วระหว่างนั้นก็หวนคิดถึงพุทธภูมิที่เคยตั้งใจไว้ที่แทบพระบาทของพระกัสสปะพุทธเจ้าในที่สุดพญามารก็สำนึกได้จึงลดละความลิสยาตั้งอยู่ในคุณธรรมคืนอที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลายในอนาคตครั้นเมื่อรำพึงกับตัวเองจบ พระเถระก็ได้แสดงตนออกมาและแก้มัดให้กับพญามารพร้อมกับกล่าวว่าดูกรพญามารขอท่านยกโทษให้ข้าด้วยแม้ว่าการกระทําของข้าในครั้งนี้จะทําร้ายท่านแต่ก็ทําให้ท่า น, นระลึกถึงพุทธ ภ, ภูมิที่ท่านเคยตั้งใจปรารถนาไว้ต่อจากนั้นพระเถระได้ขอให้พญามารได้แปลงกายเป็นพุทธองค์เพื่อจะได้เห็นพุทธานุสติบ้างพญามารรับคําแต่บอกว่า ห้ามลืมตัวกราบไหว้เด็ดขาดมิฉนั้นตนจะบาปหนักทันแล้วพญามารก็ใน้นิมิตตนเป็นพุทธเจ้าประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะและชัพพันดังสีอันวิจิตมีพระอักระสาวกเบื้องซ้ายขวาแวดล้อมด้วยมหาสาวกทั้งหลายเป็นบริวารเสด็จเยื้องย่างด้วยพุทธลีลากฎงามยิ่งนักพระเถระและพุทธบุรัเห็นเช่นนั้นก็เกิดความปิติอย่างสูงยิ่ง เกิดปิติลืมตัวพร้อมกันนำ้ำมศการด้วยเบญจางข้าประดิษฐ์ทั้งสิน้นทําให้พญามารตกใจกับร่างเดิมทําไมท่านลืมคําสัญญามากราบไหว้ตัวข้าเล่าฝ่ายสาวกก็กล่าวว่าพวกเราไม่ได้ไหว้ท่านดอกเพียงแต่กราบไหว้พระพุทธเจ้าและพระสาวกต่างหาแต่ข้าก็บาปนะท่านพญามากรกล่าวไม่บาปหรอกท่านได้กุศลแล้วท่านได้ทากุศลแก่พวกเราต่างหาจากนั้น พยามารก็กลับคืนสู่สวรรค์และตั้งแต่นั้นมาพยามารก็มีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาตลอดและบำเพ็ญตนเพื่อจะได้มาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตต่อไปพยามารจะมาบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าพระพุทธธรรมปสามีเป็นพระพุทธเจ้าองค์เดียวในกัล น, นั้นต่อในอนาคตอันไกลโพ้นนี่ก็คือตำนานของพยามาล น, นะครับ